5. สัญจริตะสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการทำหน้าที่ชักสื่อเป็นปัจจัยหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ